ถ้ามีผู้โจทเข้ามาอีกว่าเหตุไฉนพระพุทธองค์เจ้าเมื่อตรัสเทศนาแสดงพระนิพพานนั้นจึงไม่ได้แสดงโดยสรุปฝ่ายว่าจิตและเจตสิกและรูปทั้งปวงนั้นพระองค์แสดงไว้โดยสรุปว่ารวบรัดไว้ทุกสิ่งทุกอันแต่นิพพานนี้พระองค์มิได้แสดงโดยรอบครอบรวบรัดไว้เหมือนจิตและเจตสิกรูปธรรมทั้งปวงนั้น อาศัยแกเหตุผลเป็นประการใดวิสัชนาว่าอติสุขุมตาข้อซึ่งพระพุทธองค์มีได้ตรัสเทศนาแสดงพระนิพพานโดยสรุปเป็นเหตุด้วยพระนิพพานนั้นละเอียดสุขุมยิ่งนักแท้จริงพระนิพพานนี้เป็นธรรมพิเศษยอดธรรมทั้งปวง เป็นอารมณ์แห่งพระอาริยมรรคอริยผลอันละเอียดผลวิสัยที่บุคคลทั้งปวงจะล่วงรู้ล่วงเห็นเฉพาะเห็นแต่ปัญญาพระอาริยบุคคลซึ่งจะรู้เห็นแจ้งทั่วไปในสันดานแห่งสัตว์ทั้งปวงหามิได้ถึงจะเทศนาโดยสรุปพิสดารก็พ้นวิสัยที่ปัญญาปุถุชนจะยังรู้ได้ต่อเมื่อใดได้สําเร็จมรรคและผลแล้ว ก็อาจจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานธรรมด้วยปัญญาจักขุ่เหตุชนี้พระองค์จึงทรงขวนขวายน้อยมีได้ตรัสเทศนาแสดงพระนิพพานนั้นโดยสรุปเหมือนด้วยอมตะธรรมทั้งปวงในที่อันนี้มีคำดีกาจารวิสัญนาไว้ว่าข้อซึ่งมีคำพระอัฏกถาว่าพระนิพพานละเอียดยิ่งนัก คนวิสัยซึ่งบุคคลทั้งปวงจะยังรู้ยังเห็นจำพาะเห็นแต่ปัญญาพระอริยบุคคลนั้นสมควรนักหนาว่าเชนี้สมกับพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาแก่มาคันธียะพราหมว่ามาคันธียะอาริยาจักขุนัตทีเยนตะวังอารคยังชาเนยยาสินิพานังปเสยยาสิ ดูก่อนบันดิตพราหมณ์ตัวท่านนี้ยังหาอริยจักขุไม่ได้ท่านจึงยังไม่ได้เห็นซึ่งพระนิพพานยังไม่ได้รู้จักซึ่งธรรมอันหาโรคไม่ได้กล่าวคือพระนิพพานถ้าท่านได้สำเร็จซึ่งอริยจักขุกล่าวคือได้ซึ่งปัญญาอันเป็นของพระอริยเจ้าแจ้งประจักในสันดานแล้วท่านก็จะได้เห็นซึ่งพระนิพพานจะรู้จักซึ่งธรรมอันหาโรคไม่ได้ กล่าวคือพระนิพพานในการเมื่อนั้นพระพุทธดีกาอันพระองค์ตรัสเทศนาแก่มาคันธียาพราหมณ์ชนีสมควรกับที่ว่าพระนิพพานละเอียดเฉพาะเห็นแต่ปัญญาแห่งพระอริยบุคคลประหนึ่งเล่ามีคำดีกาจารวิสัชนาว่าพระอัฏกถาผู้รู้พุทธทิบายเห็นว่า ผู้ที่มีสํานวนนั้นจะสอบถามเข้ามาว่าพระนิพพานสิเป็นสภาวะธรรมมิได้นับเข้าในสันดานสัตว์คือว่ามิได้จัดเข้าในกองรู ป, ปรธรรมนามารมอันใดอันหนึ่งหามิได้อาการแห่งพระนิพพานนั้นเห็นเป็นประหนึ่งว่าจะเป็นสัพพษาธานมีคารุวานาดุดรงที่ประชุมอันมีอยู่ในหนทางสีแพร่งธรรมดาว่า ที่ประชุมอันมีอยู่ในหนทางสีแพร่งนั้นย่อมเป็นสาธารณะใครพอใจจะนั่งก็นั่งใครพอใจจะนอนก็นอนใครพอใจจะหยุดพักก็หยุดพักตามอัจชชาสิยแห่งตนแห่งตนโรงที่ประชุมตั้งอยู่ในหนทางสีแพร่งทั่วไปแก่ชนทั้งปวงและมีชั้นใดประนิพพานก็เห็นประหนึ่งว่าจะทั่วไปแก่ชนทั้งปวงมีกรุวนาดังนั้น กัสมาเออก็เหตุดังรือพระนิพพานจึงไม่ได้ทั่วแก่ชนทั้งปวงพระอัฏฐกถาพิจารณาเห็นว่าจะมีผู้สอบถามเข้ามาชะนี้จึงกล่าวพระบาลีวิสัชนาว่ามักคะสมังขินานาปตัพะโตสาธารณังว่าข้อซึ่งพระนิพพานมิได้ทั่วไปแก่ชนทั้งปวงนั้น เพราะว่าพระนิพพานนั้นบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยพระอริยมรรคจะพึงถึงบุคคลที่เป็นปุถุชนยังมิได้พร้อมเพียงด้วยพระอริยมรรคอริยพลนนั้นจะได้ถึงพระนิพพานหาไม่ได้ตกว่าเฉพาะเห็นแจ้งประจากพระนิพพานนั้นแต่พระอริยบุคคลมีกําหนดอยู่ชนี้พระนิพพานจึงเป็นอสนาธรณธรรม มิได้ทั่วไปแก่ชนทั้งปวงในหนึ่งว่าพระนิพพานนั้นอาที่เดิมเกิดมิได้เหตุว่าที่สุดเบื้องต้นแห่งพระนิพพานนั้นมิได้มีที่กําหนดกฎหมายไว้ว่าพระนิพพานนี้มีมาแต่ครั้งพระศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะ ก, กําหนดชนี้กําหนดมิได้ ฝ่ายปุจชาจึงมีคำเสียดเข้ามาอีกเล่าว่าพระนิพพานนั้นมีเดิมเกิดมีอยู่ซึ่งว่าพระนิพพานไม่มีเดิมเกิดนั้นเราไม่เห็นด้วยพระอริยมรคนั้นมิใช่เป็นเดิมเกิดแห่งพระนิพพานหรือวิสัชนาว่าพระอริยมรคนั้นจะได้เป็นเดิมเกิดแห่งพระนิพพานหาไม่ได้ เหตุว่าพระนิพพานเป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรคแล้วและจะถือเอาพระอริยมรรคเป็นเดิมเกิดแห่งพระนิพพานนั้นมิได้ควรพระนิพพานจะได้บังเกิดด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคหามิได้ฝ่ายพระอริยมรรคนั้นเล่าจะได้เป็นปัจจัยให้เกิดพระนิพพานนั้นก็หามิได้เหตุฉนี้ พระนิพพานจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมหาเดิมเกิดหาที่เกิดไม่ได้อัจฉรามารณังพระนิพพานนั้นพระนว่าหาเดิมเกิดไม่ได้แล้วก็ปราศจากชราและมรณนะความแก่ความชราชิบหายนั้นไม่ได้มีในพระนิพพานปัปพวาชรามารณานังอภาวโตนิจังพระนิพพานนั้น หาที่เกิดมิได้หาความชราโมรณะมิได้เห็นปานดังนั้นก็ตั้งอยู่ในที่เป็นนิจธรรมเป็นธรรมอันเที่ยงแท้มิได้รู้แปรรูปรวนมิได้รู้วิปริตแปรพันด้วยเหตุอันใดอันหนึ่ง